ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพราะจิตปเป็นของละเอียดและว่ามีกำลังโดยลาพังตัวเองต้องอาใช้สิ่งอื่นผักดันเช่นฝ่ายต่ำขักดันให้เป็นอย่างไรเป็นก็ได้เราจรึงต้องสั่งสมทั้งความดีเป็นฝ่ายสูงเพื่อจะขักดันไปทางทางดีเติมกระทั่งจิต หมดสิ่งที่ขักดันตัวประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายตา่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั่นคือหมดปัญหาไปอนนปั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แเราจะเห็นแต่มีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆ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 หนึ่งไม่มีสองได้แต่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรูปได้แต่เพียงครั้งละองค์เท่านั้นมีจำนวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดแต่เป็นขึ้นได้ยากที่สุดเหตุการณหนึ่งประการณที่สองพระวาจาที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจินตุ่างได้ตรัสอย่างไงแล้วไม่มีสองเลยนะั่งเรียกว่าเอก น, นามจิ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 พระอวาทคํา่องสอนคำพุทธเจ้าที่สแสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กำลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะหน้าถึงความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับส น, นุนนีเราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้ วนเล่ย์อ่ตลดเวลาไม่ทราบจะไปทางไหนจะมาทางไหนสถานที่จะไปก็ไม่ทราบล้วจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบจะดีจะชั่วเพราะความแน่นอนของใจไม่มีเนื่องจากความแนนธรรมซึ่งเป็นความแน่นอนไม่ได้ยางหรือไม่ซึมซาบเขภาภา้าไปในจิตใจพอจะเป็นที่เชื่อถือตนได้ ใจเมื่อมีสิ่งที่แน่นอนมีสิ่งที่อาจหารมีสิ่งที่แน่ใจเข้าแทรกกับตัวเองย่อมสามารถย่อมแน่ใจได้ทกานสรีรวรสร้างความแน่ใจึนภาระ จ, จิตใจแล้วข้อปฏิบัติอ้าวทุกก็ทุ ก, กทราบมันมาตั้งแต่วันเกิดอเกิดมาเกิดกับกองทุกข์เนี่ยอ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 ควเป็นสังฆทานในสถานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความ ส, มบสงบเสงี่ยมเป็นไปด้วยความเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแลวหาที่เด็ดเดีดเดย ว, เ, ยวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้พิเรกการฆ่าพิเลกนั่นเองพูดไ ง, ไง่ายเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้น เ, เรื่องความเพียรก็ามาเองตามปกติ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 อยก้อนี้จังก็เห็นใหนจังอยู่พักทุกขังก็เห็นทุกขังอยู่ก้นตาก็เห็นหนาตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้แน่นอนได้ที่ไหนเมื่อสติบัญญาอย่างวันนี้มันก็เปิดเผยออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพั่นแตน่มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กัสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรื อ, ahor, หรอ NAU, ให้ผลสติปัญญาเพื่ให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตชิบหายอย่ากลัวจิตร่มจมธรรมชาตินี้ไม่ร่มจม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 เราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมอ้าวลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่ทิพไผ่มันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันทานจากเราไปต่างหากเนี่ยคําว่าเราเอาดินเอาน้ําเอ า, า, มเอ า, ามอลมเอาไฟมาเป็นเราเนี่ยดินสลายลงไปจากคําว่าเรานี้ก็ไปเป็นดินน้ําสลายลงไปจากคําว่าเรานี้มันก็ไปเป็นน้ําไปเป็นลมไปเป็นไฟ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 จิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุดคิดหายไปไหนความบริสุทธดแล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความบริสุทธิ์ป่าช่างจิตนี้ไม่มีให้ตากยยิ่งชำระสิ่งที่จอมปลอมให้พายไปเที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละถนัดทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้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 ามากมาจ่ายกองก็เพราะอันนี้งของโกระกโกรกมีภายจิตใจ น, นี้เองถ้าหมดแล้วมันก็หมดปัญหาอาละการแสดงธรรมก็อย่างนี้ตมอว